ตั้งประโยคนาวจารทั้งหลายและบรรดาพิสุทธิ์เน่งทั้งหลายปัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแ ล, ล้วตอนนี้ไปขอทวนทั้งหลายตั้งใจสดับกรรมฐานพิเศษสำหรับวันนี้ จะแนะนำในด้านพระกรรมฐานพิเศษเพราะว่าเวลานี้พวกเรากำลังมีความสนใจในด้านทิฏฐิุ ย, ยานและด้านของอภิญญาแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำและจะสอนกันจะบอกกันเรื่องอภิญญาสมบัติวิชาสาม เำหรับในตอนนี้ก็อย่ขอให้ท่านสาบกิริยาเบื้องต้นซิก่อนคือว่าการของการเจริญก็กรมาฐานในด้านสุขาวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีปริสัมมิทั ป, ปโตก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า คือเป็นเบโสดาโสสกิทาคาอนาคาอรหันทั้งหมดนี้มีค่าเสมอกันคำว่ามีค่าเสมอกันก็ราะว่าเป็นพระอริยเจ้าเท่ากันตัดกิเลสได้เสมอกันไปนิพพานได้เหมือนกันแต่เทว่าคุณสมบัติพิเศษไม่เสมอกัน โดยเฉพาะ อ, อย่างยิง่งท่านที่มุ่งเฉพาะสุขวิปัสสโกก็เป็นอรหันต์ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดหมายความว่าไม่ได้ฝึก ม, มาในสายที่ปีกุยานเนียกว่าวิชาอภิญญาหกปริสัมมิทายานฉะนั้นหากว่าท่านนี้เป็นสายสุขวิปัสสโก จึงไม่รู้ไม่เห็นไม่สามารถจะบังคับจิตให้เห็นสวรรค์เห็นพร ม, มโลกเห็นเทวดาเห็นพรหมได้สำหรับท่านที่จเจริญในด้านวิชาสามสามารถจะได้ทิพยคุญานคือเห็นเทวดาเห็นพรหมแล้วก็เห็นนรกเห็นสัตว์เห็นเปรตอะไรต่างๆ ถ้ามีอารมณ์เข้าถึงปะโสดาบันก็สามารถจะเห็นพระนิพพานได้สำหรับท่านผู้ทรงอภินยามีอนุภาพกว่าวิชาสามสามารถจะทำอธิสมานกายคือยกกายภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นอภินยาใหญ่ทรงอภินยาหกก็สามารถจะกกายเนื้อนี่ไปในภพต่างๆได้ ไม่เลือกสถานที่สำหรับปริสมิธายานมีความดีเป็นกรณีพิเศษคือมีความสามารถครุมสุขาวิปัสยโกติวิโชชลพิโยทั้งหมดแล้วก็จะมีความรอบรู้ต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นสามารถจะรู้ภาษาได้ทุกภาษาทั้งภาษาคนและภาษาสัตว์ มีความเฉลาดในการขยายความสั้นให้ยาวย่อเนื้อความยาวให้สั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอารมณ์ว่องไวมากอันนี้เป็นที่เปรียบเทียบเพื่อท่านนั่นหลายเข้าใจที่นำมาพูดนี้ทำไมจนะได้นำมาพูดเพราะผมทราบ ทราบว่าในสนักของเรานี่ยังมีคนที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้องอีกเยอะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคำสอนที่ผมสอนไว้ในปัจจุบันก็ดีที่เป็นอดีตเป็นเทพบันทึกไว้ก็ดีที่เป็นนงสือก็ดีแต่ก็ปรากฏว่ายังมีหลายท่านฟังไม่รู้เรื่องบ้าง อนหนังสือไม่ออกบังคําว่าฟังไม่รู้เรื่องอนหังสือไม่ออกก็แสดงว่าหาความเข้าใจอะไรไม่ได้ยังมีความเข้าใจผิดความเข้าใจพลาดอยู่มากอันนี้ถือว่าเป็นโทษหนักคําว่าเป็นโทษหนักก็คือจะกลายเป็นคนมีมานะมานะมันก็เป็นกิเลส นว่ากลายเป็นมิจฉาทิฐิมีความเข้าใจพลาดถ้าเรามีความเข้าใจพลาดการปฏิบัติของเราก็พลาดผลที่เราจะมืองได้ก็เป็นผลพลาดถ้าพลาดหรือว่าตกมีความหมายยังไงเข้าใจกันอยู่แล้วมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเดินทางพลาดดีไม่ดีลงนรกไปเลย นีความสำคัญตัวนี่มีความสำคัญมากอย่าสำคัญผิดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว, ว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอนี่ต้องจำฟังได้แล้วต้องจำจำแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในอิธิบาทสี่ได้บอก ว, ว่าฉันทะมีความพอใจ วิริยะพาวเขียนทำลายความอุปสรรคกิตตะสนใจในเสียงนั้นไม่วางมือมีบางสายใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจถ้าอารมณ์ของท่า น, นาหลายทรงอยู่ในอารมณ์นี้ทั้งหมดก็ดีโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าจะทรงอารมณ์ให้ได้ดีจริงๆจะกรรมฐานทรงตัวจะเป็นด้าน สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระปิญโยปิสัมิทัปะโตโกตามอารมณ์จะต้องทรงบรมีสิบครบถ้วนบรมีสิบนี้ต้องมีให้เต็มกำลังใจไว้เสมอแล้วก็ต้องมีจรณะสิบห้าครบถ้วนถ้ามิฉนั้นการปฏิบัติเขาหกท่านหาผลใดยาก สิ่ทั้งหลายลรานี้เป็นของเก่าทั้งหมดที่ผมนามาพูดต่อไป น, นี้ก็จะเปรียบเทียบถึงด้านอารมณ์ที่เข้าถึงให้ฟังพวที่ได้ทิ่จะคุยยานอย่างหนึ่งแม้ทีพได้พิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราฝึกกันได้มโนวิธีอย่างหนึ่งกับอารมณ์ของบุคคลนี่เข้าถึงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ไม่เหมือนกัน อารมณ์ที่เข้าถึงอุปจารสมาธิสามารถจะเห็นภาพต่างๆได้บ้างในบางขณะไม่มีอารมณ์สามารถจะบังคับให้รู้ให้เห็นได้โดยเฉพาะ อ, อย่างสมมติว่าเวลานี้เราอยากจะเห็นพระ อ, อินทร์แล้วก็นั่งภาวนาที่เจรนาแล้วก็หมดรู้ลมหายใจเขาออกโดยภาวนาจับนิมิต ดีไม่ดีถ้าจิตมันนึกอยากจะเห็นพระอิน์ขึ้นมาอะไรามาก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็ถูกอสุรกายหลอกอุปจาระสมาธินี่มีหลายท่านนี่ผมหมายถึงว่าเคยพบมามีหลายคนเมื่ออารมณ์จิตก็ถึงอุปจารสมาธิเข้าใจว่าสาเร็จเสร็จแล้ว ดูมันว่าผมยังเคยเขียนไว้ในหนังสือของพ่อปานว่ามีสำนักหนึ่งมีคนเข้าไปปฏิบัติกันมาเมื่อเขาผ่านมาแล้วอยู่บ้านเขาสองสามเดือนเขาก็มาหาผมถามว่าหลวงพ่อช่วยตรวจตัวทีหรือว่ากำมาถ่ายของฉันนะ่ะเสื่อมไปแล้วหรือยัง ผมก็แปลกใจว่าไอ้กขามาถานเสื่อมไม่เสื่อมนี่ไม่มีใครเขาถามเชื่อมันนหรอกตัวเองเนะ่รู้ตัวของตัวเองไปเรื่องถามว่าโยมไปศึกษาที่ไหนมาเ้าก็บอกสำนักถามว่าอาจารย์บอกว่ายัางไงพี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าสําเร็จแล้วที่ได้ถามว่าการที่อาจารย์บอกว่าสําเร็จนะ่ะ โยมมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตประการใดบ้างโยมคนนั้นก็บอกว่าเวลานั่งบางครั้งก็เห็นภาพเทวดาบ้างเห็นภาพวิมานบ้างเห็นภาพอะไรต่ออะไรมาบ้างในบางขณะแด้๋ ว, ว่าทีก็พบทุกวันก็ยังได้แต่เห็นแวบเดียวแล้วก็หายไปบางทีกาตั้งอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปที๋ยวในถามว่าโยมสามารถบังคับจิตได้ไหม ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการเห็นนรกต้องการเห็นเปรตต้องการเห็นสุรกายต้องการเห็นสัมภเวสีต้องการเห็นเทวดาต้องการเห็นพรมต้องการเห็นนิพพานหรือว่ามนันต้องการเห็นพระพุทธเจา้าพระอราหันต์ที่นิพพานไปแล้วยมดอกไม่ได้เ่้าเจ้าค้าทำเป็นได้เป็ น, นเพียงนั่งๆไปพอจิตสบายก็เห็นภาพ บางทีก็เห็นได้ทุกวันอันนี้ผมไม่ขัดคอแต่หากว่าเห็นได้ทุกวันขณะที่นั่งอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจะเห็นได้ทั้งวันก็ได้แต่ต้องใช้เวลาที่เราตั้งจิตสงบแล้วก็ใช้เวลาบ้างไมยควาอาจจะต้องใช้เวลาถัา้าสองสามนาที เห็นภาพแล้วก็คุยกันไม่ได้แวบหนึ่งก็หายไปตั้งอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของที่ไปจะคุยยาณหรือไม่ใช่อาการของอภิญญาเป็นอาการของอุปจาระสมาธิและก็เป็นอาการของบคุคคลที่มีจิตยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน นี่ขอท่านหลายจงจำไปนะจำให้มันดีแล้วก็จงอย่าหลงว่าเราได้ทิพยคุยานเสียแล้วการที่จะได้ทิพยคุยานเนี่ยจะต้องส่งถึงฌานสี่เพื่องความจริงทิพยคุยานนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ว่าต้องฝึกตรงเฉพาะ นี่เราจเจริญเพื่อกลั ม, มาถานกองใดกองหนึ่งก็ได้แล้วก็เห็นนิมิตนั่นนั่นเขาไม่ไดเรียกว่าทิพยคุญานเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าอุปจาระฌานเมื่อใจเข้าถึงอุปจารสมาธิหรืออุปจาระฌานก็สามารถจะได้ยินเสียงที่เป็นทิพได้สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพได้แต่มันแวบเดียวคําสองคําก็หายไป ในเราเองก็ไม่สามารถจะบังคับให้เจ้าของเสียงนั้นพูดต่อไปได้เราจะไม่สามารถให้บังคับเจ้าของภาพนั้นส่งต่อไปได้ในการเห็นใหม่มก็ไม่ซ้ำกันคุยกันก็ไม่ได้เห็นกันนานก็ไม่ได้อาการอย่างนี้เป็นการหลงผิดอย่างกับโยมที่มาถามนั่นแหละ เป็นอันว่าท่านศึกษามายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งคือปฐมัานแต่ได้ว่าอาจารย์ก็บอกว่าสมเสร็จแล้วฉะนั้นพวกเราก็ไม่กันคณะของพวกเรานี่ผมทราบว่ายังมีการหลงผิดกันอยู่มากบางท่านไปประสบพบอารมณ์อย่างที่ผมว่านี้แต่ก็จิต คิดไปว่าเราได้ดีคือได้ที่พป็นขุยานถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้รีบถอยหลังเสียคาว่าถอยหลังหมะถถอนความรู้สึกนั้นเสียมันจะเกิดความเสียหายกับท่านทาง น, นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านจะไม่ก้าวเข้าไปสู่ความดี เรา อ, อุปการะสมาธินี่นักจเจริญพระกรรมฐานจริ ง, รงๆเขาไม่ใช่จะประสบพบภาพอะไรได้ยินเสียงอะไรก็ตามเขาไม่ใช่นหรอกยังถือว่าไม่ใช่สาระไม่ใช่แ่นสารแต่ว่าคนที่มีความทานนงจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่มีความท่า น, นงทำลายตัวเองให้พินาศไป อยากกาลังของความดีที่จะพึงได้โดยเข้าใจว่าตนเองได้ดีแล้วอันนี้ต้องจาให้ดีนะจำไว้นะวันนี้จะพูดจะฟ า, าการทีนี้มาพูดเกี่ับถึงคนที่เขาได้ที่ไปเจริญานที่ไปเจริญญานนี่ก็ต้องวัดระดับ เป็นชาโลกีเป็นพระอริยเจ้าคือระโสดาสิกทาคานาคารหันพระเบเจกพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสว่างสวยแจ่มใสชัดเจนมั่นคงไม่เสมอกันแต่นั่นก็ช่างเถอะพจนจะมาอธิบาย กตรธิบายได้เพีงว่าท่านที่ได้ทิพย์คุยานนั้นต้องฝึกฝนโดยตรงเฉพาะเพราะว่าวิชาเฉพาะทิพย์โยคุยานเขามีอยู่จะไปจับพัดจับผูกากมันได้โดยไม่ใช่วิชาเฉพาะนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่สรรพญูวิสัยเราเป็นสาวกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่เมื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอะไรอะไรก็ได้หมดสำหรับภาษาวกนี้จะต้องเรียนเฉพาะกิจเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นเคยได้ยาณนี้มาแล้วในชาติก่อนแต่พอกำลังจิตเข้าถึงก็สามารถจะรู้ได้แต่อย่างนี้เป็นที่สังเกตไ ม, ม่ยาก ผู้ที่เขาได้มาก่อนจะเริญนสมาธิพอจิตถึงฌานนิดเดียวของเก่ากลับมาหมดอันนี้สังเกตไม่ยากเพียงได้ยินคำพูดคำเดียวก็รู้แล้วว่าท่านผู้นั้นมีทุนมาก่อนหรือไม่มีทุนมาก่อนถ้าเขามีทุนมาก่อนจะไม่มีวาจาที่เฟือออกมาแม้แต่คำเดียว นี่เรามาพูดกันว่าถ้าการฝึกอาการที่เ็าได้ที่เป็นคุยานจริงๆเนี่ยเขารู้จริงๆแต่ว่าอาการรู้นี่ตอนระวังถ้าเป็นผู้ชาญโลกีนี่มีอารมณ์หลงมากแล้วมีอุปาทานกินมากถ้าบุคคลพูดมันยังใช้กำลังใจของตนเองเป็นเครื่องได้ยิน ปึงเครื่องรับทราบจกเสียงและเพื่อเครื่องเห็นภาพถึงแม้ว่าจะได้ทิบจูใหญ ย, ยก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งนี้พ่อใหญเพราะว่ากำลังใจของท่านที่ยังไม่ถึงอรหัตขลนยังไงยังไงก็ตามกิเลสมันก็ขวางหน้าท่านใด้ถ้ายิ่งได้ชาญโลกีก็ยิ่งไปกันใหญ่ ของดีจริงๆจะไม่มีทางได้บางทีก็รู้ถูกบางทีก็รู้ผิดถ้ามีโรงคิดกำหนดไว้ก่อนนิดเดียวภาพลอยก็จะปรากฏนี่ตดบ้านิ่ชาลกีแม้แต่พวกพระอริยเจา้าก็ตามถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจา้าโดยแล้วเขายิ่งไม่ไว้ใจตัวเองอย่างยิ่ง เมื่อได้ทิปปีคุยานแล้วตัต้งแต่ประโสดาบัญขึ้นไปเขาก็ใช้กำลังใจติดต่อเฉพาะคำว่าเฉพาะในที่นี้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าําว่าท่านจะถามว่าเราจะติดต่อพระพุทธเจ้าได้ยังไงตอนนี้ผมก็ถอต่อว่า ให้ท่านฝึกทิพยุุยานให้คล่องเสียก่อนแล้วก็ทาใจของท่านเนี่ยเข้าถึงพระโสดาบันเสีย <c oughs> ในเวลาที่เราต้องการจะพบเจเห็นอะไรเนี่ยเขาใชอารมณ์แบบนี้ต้องสร้างนิมิตคือทิพยุุยานนั้นให้มีอารมณ์แจ่มใสคือดูใจของเราเองให้มันแจ่มใสต้องเห็นกระแสจิตของตอนเอง แก้วใสจิตของเเองแจ่มใสจนทั้งไม่มีสีอื่นเจือปนมีสีเป็นแก้วใสเป็นประกายสวยสดงดงามนี่สนแสดงว่าจิตว่างจากกิเลสแล้วจิตตัวนี้ว่างจากกิเลสกิเลสไม่ยุ่งถ้าจิตกิเลสมันยุ่งนิดเดียวมันก็ถูกหลอก เมื่อจิตว่างจากกิเลสมีกระแสใสผ่องใสเต็มที่ตอนนี้เราจะพบองค์สมเด็จพระมหาโมนีได้อย่างไม่ยากและเราเห็นท่านก็แจ่มใสเห็นท่านได้แจ่มใสเวลาจะโคจะโคจะทูลถามอะไรพระองค์จะทรงตรัสอะไรก็ชัดเจนจะนั่งอยู่นานแสนนานเท่าไรก็ได้ แยกพูดกันมากเท่าไหร่ก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้จะคุยกับสัตว์นรกคุยกับเปรคคุยอสุรกายคุยกับพญายมคุยกับเทวดาคุยกับพรหมคุยกับพระอริยเจ้าก็ได้เหมือนกับนั่งอยู่ใกล้ๆกันแต่รมของที่ไปอยูคุยานนี่เขาใช้ได้ทุกคนนะไม่ใช่ต้องไปนั่งทําจิตให้ไปสมาธิให้อารมณ์สบาย และเห็นภาพวบว บ, บแป๊บแป๊บดินเสียงบ้างอะไรบ้างนี่เป็นอารมณ์เผือผมมีความรู้สึกว่าในสนักของเรานี้อาการอย่างนี้ยังมีอยู่ทั้งทั้งที่ฟังคําแนะนำกันอยู่ตลอดผมเสียดายเวลาของพวกท่านว่ายังไม่มีความเข้าใจอะไรกันอยู่มากมันเป็นเรื่องแปลกที่สุด ถ้าผมยัคิดว่าพวกท่านศึกษากนกับสมัยที่ผมศึกษามามันถ้าอาการอย่างนี้มันเป็นของแปลกมากที่ว่าแปลกก็เพราะว่าการคำสอนนี้ผมไม่เคยได้รับทุกวันวันละหลายครั้งอย่างนี้คำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยสอนครั้งเดียวนี่ผมจำตลอดชีวิตและก็ต้องทำให้ได้ พวกเราอย่างเฟือก็อยู่มากฟังมากไปบางทีจะชิงเกินไปถ้าชิงเกินไปมีการหลงใจหลงตัวของตัวเองก็เกิดความทนองนึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษหรือว่าได้มักได้ผลข้อนี้ต้องระวังให้มากนันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ที่ ไ, ได้ท่พยิกุญญาณในด้าวิชาสาม นี่เขายังไม่กล้าไปแต่ต้องกับพวกที่ได้มโนยิธิพวกที่ได้มโนยิธินี่เขามีกำลังดีกว่ามากความสามารถเขาดีกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นอภิญญาถ้าความสามารถเสมอกันพระพุทธเจ้าก็ไม่จัดไว้ไม่จัดเป็นขั้นๆไว้ในในด้านความรู้พิเศษ ผู้ที่ได้มโนวิธิตโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าเขาเป็นพระอริยเจา้าจุดนี้เขาจะไม่มีการหลงเลยแล้วผู้นี้เขาจะไม่มีความประมัดเขาจะไม่ยอมใชอารมณ์จิตของเขาเด็ขดขาดถ้าต้องการจะรู้อะไรนี่เขาจะโทนถามพระพุทธเจ้าหรือว่าถามเทวดาหรือถามพระองค์ใดองค์หนึ่ง ที่เคยให้สัญญากับเขาไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้อะไรถามฉันฉันจะบอกทุกอย่างแต่ถ้าจะถามว่าผู้ได้พิญญานี่เขาจะใช่อารมณ์รู้เองได้ไหมก็ต้องตอบว่าเขาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ไม่มีใครเขาโ ง, ง่ที่จะต้องใช่อารมณ์ตัวของเขาเองเพราะว่าขึ้นเชื่อความสามารถ แต่ว่าเทวดาหรือพรมที่จะถามต้องเป็นเทวดาหรือพรมที่เป็นพระอารี ย, ยเจ้าถ้าเป็นเทวดาหรือพรมที่ไม่ใช่พระอารียเจ้าก็ไม่ควรถามเพราะว่าเทวดาก็ ด, ดีพรมก็ดีมีความสามารถไม่เส ม, มอกันถ้าเป็นเทวดา ไ, ไปจากทานไปจากศีลไปจากการฟังเทศความสามารถก็น้อยกว่าเทวดาหรือพรมที่ไปจากฌาน เทว ด, ดาหรือพรมที่ไปจากฌานก็มีความสามารถน้อยกว่าเทวดาที่เป็นหรือพรมที่เป็นพระอริยเจ้าเทว ด, ดาหรือพรมที่เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมีความสามารถเป็นขันข้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปถามท่านที่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าถึงที่สุด แต่ว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติจริงๆหรือว่าได้ทิพยจุคยานจริงๆส่วนมากเขายึดจุดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนี่สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากให้คติไว้ได้เพียงว่าข้อเปรียบเทียบเท่านั้นฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ฝึกกรรมฐ า, านไปจงอย่าหลงผิด คิดว่าเราดีเสร็จแล้วถ้าเราไปพบกับผู้ที่เขาได้มนโนวิธิก็ดีที่เปรึกิพยภยาณจริงๆก็ดีแต่บังเอิญเราเข้าถึงอุปจารสมาธิจงจำไว้ดีนะเพราะอุปจารสมาธินี่ใช้กำลังจิตทันทีทนันใดไม่ได้ จะต้องไปนั่งภาวนาพิจารณาจนทั้งอารมณ์จิตสบายยิงเข้าถึงอุปจารสมาธิได้ ว, ว่าภาพที่เห็นด้านได้นั้นไม่ให้ตามใจตัวเองเป็นภาพเพียนลอยมาเฉยๆเป็นการบังเอิญเหมือนกับเราเป็นง่อยเพราว่าเราเป็นคนสายตาสัน้น เขาต้องมาให้เห็นหรือเขาต้องมาหาเราจรึงจะเห็นและมาหานั่นเราเห็นได้และคุยเขาได้ไม่เหมือนคนสายตายาวคือทิพย์ยุขยานเหมือนคนสายตายาวสามารถจะมองไกลแสงไกลก็ได้มองอะไรก็ได้นี่มันจุดหนึ่งแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกที่ได้ปัญญายิ่งจะไปแตะต้องกับเขา นั่นเขายิ่งเก่งกว่าดีกว่าจำใสกว่าผู้ที่ได้ทิพย์จุขญาจะนั้นขอวันดาท่านทั้งหลายต่อที่นี้ไปจะแนะนำเรื่องการฝึกทิพย์จุขญาและมโนวิธิเป็นด้านของอภิญยาแล้วก็ขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจ ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกการทนงในจิตเสียถ้าเรายังดีไม่เท่าเขาหรือว่าเราดีเท่าเขาหรือว่าเราดีเกินกว่าเขาจงวางอารมณ์เสียมันเป็นมา น, นะถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่จริงเห็นไม่จริง คนที่รู้ไม่จริงเห็นไ ม, ไม่ไม่จริงจ่เส้งเกลียดง่ายเมื่จะมีการทะนงตนถือความรู้สึกของตนเองเป็นสำคัญใครเขาพูดอะไรมาจะถามว่านั่นอุปาทานใช่ไหมการที่เห็นนี่อาจจะเป็นภาพอุปาทานเสียงทีง่ได้ยินนี่เป็นอุปาทานแต่ความจริงท้าจิตเข้าถึงทิฏฐิขุยานแจ่มใสจริงๆตอมที่ผมพูดไม่มีสี เรือการถอดกายภายในออกไปข้างนอกที่เรียกกันว่ามโนยิธิประเภทนี้ถ้าไปได้จริงๆคำว่าอุปาทานไม่มีแต่ก็ยังมีไม่กันบุคคลผู้หลงผิดมันไปไม่ได้แต่เป็นจิตหลอนอย่างนี้มีอยู่อนละครับัต่อไปนี้เขามันดาสาวะโกองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาที่จะพูดก็หมดแล้ว วันนี้ให้ในกันไว้เท่านี้นะจงอย่าลืมอย่าทะนงตนเห็นคนอื่นที่เขดีจนคิดว่าเขาทำยังไงจึงดีแล้วทำตามเขาอย่าเอาอารมณ์แห่งโมหะเข้าไปผสมประ ส, สารไ ป, ปรทำตัวเป็นประปานคือยึดยืดตัวคิดว่าเราถือเหนือเขาแล้วดีกว่าเขานั่นท่านจะจมปลาน หมายความว่าจะไม่พบกับความดีต่อเดนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจดจำคำสั่งสอนไว้แล้วจงปฏิบัติตามจึงก่อยเริ่มลุกโหนตามประสงค์สวัสดี